แต่คนหากไม่รู้จักทุกบางคนรู้จักทุกแต่ไม่รู้จักหนทางดับทุกนี่เป็นปัญหาที่เราจำต้องมาอบรมกันฟังทรรำคาสอนของพระพุทธเจ้าก็โดยเหตุผลดังกล่าวมานั้นคนที่ไม่รู้จักทุก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 เว้นเสียแต่ผู้ที่ได้สดัตฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละจึงจะรู้หนทางดับทุกเหล่านั้นได้เอาเถิดผู้ครองเรือนก็ได้ครองไปแล้วแต่ว่าอย่าไปครองแต่เรือนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ให้ครองศีลครองธรรมบ้างครองบุญกุศลออย่างนี้จึงจะ พอได้ดับทุกทางใจได้อยู่บ้างถ้าไปครองแต่เรือนไปมีจิตใจผูกพันอยู่แต่เรือนเอมันก็หลงสําคัญว่าสิ่งนั่นกัของเราสิ่งนี่ของเราเมื่อมันสูญหายไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละครองแต่เรือนไม่ครองสินครองธรรมมันก็ได้รับความเดือดร้อน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 เสียหายไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจแม้จะได้อะไรมาก็ไม่ปลื้มใจไม่ดีใจจนเกินขอบเขตเพราะว่ารู้อยู่แล้วสิ่งที่ได้มานะั้มันไม่เที่ยงไม่ย่งยืนอะไรเลยบริโภคไปใช้ส้อยไปก็สึกหรอไปชำรุดไปสูญหายไปหมนี่มันมันก็มีมาอยู่แล้วทุกคนก็ได้ผ่านมาทั้งนั้นเลย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 เอียงไปข้างกลัวบ้างเนี่ยจิตใจมันลำเอียงอยู่อย่างนี้แล้วมันถึงได้เป็นทุกข์ถ้าผู้ใดปรับปรุงใจตัวเองให้เป็นกลางอยู่ได้แล้วไม่เป็นทุกข์แล้วข้อนี้ผู้ใดทำผู้นั้นก็รู้เองเห็นเองผู้ใดไม่ทำผู้นั้นก็ไม่รู้ต้องทำต้องลงมือทำเพราะพูะเทเจ้าไม่ได้สอนให้คนเราจำเอาคำสอนของพระองค์ไว้ เฉยๆเมื่อจำได้แล้วให้ลงมือดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามคาสั่งสอนนั้นถ้าตนดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงไปตามคาสอนแล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันเป็นศีลเป็นธรรมนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมนี่มันก็เป็นขั้นตอนไปอย่างนั้เนี่ยการปฏิบัติ ถ้าว่าปรับปรุงกายว่ า, จาใจเป็นศินเป็นธรรมแล้วต่อไปก็ประมาทเียไม่มันทบทวนไม่มันทําใจให้สงบเช่นนี้นะ่ะสักลอยก็เสื่อมแล้วความรู้ความเห็นอ น, นั้นอืเมื่อมันเสื่อมจากอานิจจังทุกขังอนัตตา ม, มันก็เห็นทุกสิ่งอี่เป็นของเที่ยงเป็นของมีความสุขเป็นตัวเป็นตนไปแล้ววันนี้นะเอมเมื่อเมื่อมันพลิกแพงไป แล้วมันก็ต้องเห็นตรงกันข้ามไปเมื่อมันเห็นตรงกันข้ามอย่างนั้นแล้วมันมีแต่ยึดแต่ถืออะไรแบนี้นะอืมเมื่อมันเสียไปสูญหายไปก็เศร้าโศกเสียใจอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อมีใครด่าว่าตีเตียนดูหมินดูแค้นก็เอาโกรธไม่พอใจมันก็เป็นอย่างนั้นนแอันเรื่องความยึดความถือว่ามีตัวมีตนนะมันก็เป็นอย่างนั้นอื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 มันก็ไม่เป็นทุกเป็นโศกอะไรหรอกกีดตรงนี้นะมันเป็นทุกเพราะเหตุว่ามันไม่เห็นไปตามความเป็นจริงนั่นแหละมันเห็นเคลื่อนคลาดจากความจริงของไม่สวยไม่งามอย่างนี้ก็ไปเห็นว่าเป็นของสวยของงามไปอย่างนี้แหละกดของทุกอย่างมันเป็นทุกมันทนยากทนลําบากทนอยู่ไม่ได้กว่ายังไปเห็นว่ามันเป็นสุขสบายอยู่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 ต้องโกรธกาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็มีสติสมบัติเนี่กำหนดรู้ใจในใจอยู่เสมอรู้ใจในใจว่าใจนั้นไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นของตัวของตนใจนั้นปกติรู้ปกติเห็น ตามสภาพความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นทีนี้ความรู้ความเห็นอย่างนี้นะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่ามันจะหลุดพ้นไปทีเดียวเลยไม่ใช่ว่ากิเลสมันจะหมดสิ้นไปทีเดียวหาไม่ได้แต่มันมันเห็นถูกทางเท่านั้นแหลอะอทีนี้การที่กิเลสมันจะหมดไปก็เพราะเรา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 อันมีอยู่ในใจนี้ให้เหือดแห้งไปได้ อ, อนี่แหละท่านเรียกว่าตะปะธรรมตะปะธรรมแปลว่าทำเครื่องเผากิเลสในกองทุกข์ให้เร่าโรน อ, อตะปะธรรมอันนี้ต้องบําเพ็ญให้มันมากๆต้องทําบ่อยๆทําใจนี้ให้เข้มแข็ง เด็ดขาดลงไปให้ได้และนั่นแหละฉันยึงเรียกว่าตะธรรมไม่ใช่ว่าความเด็ดเดียวความเข้มแข็งอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในจิตไม่ใช่ก็จิตดวงเดียวนี่แหละเข้มแข็งจิตดวงนี้เด็ดขาดอะไรต่ออะไรก็ดีอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นหานั้นผู้ใดอบรมจิตของตนให้เข้มแข็งได้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 จิตใจไม่หวั่นไหวไปด้วยความรักความชังความโศกเศร้าเสียใจความรับแคนใจต่างๆพวกนี้นะเดียวว่าใจไม่หวั่นไหวต่อกิเลสเหล่านี้แหละท่านจึงเรียกว่าอโศกังเป็นผู้ไม่มีความโศกมน เ, นเมื่อไม่หวั่นไหวแล้วมันก็ไม่โศกเศร้าเสียใจกับอะไรหละวิรยังเขมัง เป็นผู้มีความสวัสดีกเกษมสารจากกิเลสดังทุรีนะเขาว่าจิตใจนั่นปราศจากกิเลสดังทุรีที่ปลิวมาถูกต้องตามร่างกายสังขารมนีบรรดาทุรีผุ่นละองต่างๆมนีกระทบมานี่มันก็ไม่ตื่นเต้นอะไรอันร่างกายนี่ก็ดีเพราะว่าของละเอียด อันนี้ฉันใดกิเลสอันละเอียดที่สุดนั่นก็กระทบจิตของผู้รู้แจ้งอย่างว่านั่นให้วันไว้ไปไม่ได้เลยย่อมปราศจากกิเลสรบกวนใจดังธุรีอันจุดบุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมก็ทุกคนคงจะรู้ดี ว่าก็เพื่อทำลอกกิเลสเหล่านี้และออกจากดวงกิจนี้ให้ได้ไม่ได้มดก็ให้ได้มากพอสมควร เ, ออเดียวว่าพยายามเอาละกิเลสนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็ขอให้พากันตั้งใจลงอย่างนี้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ก็ขอให้ตั้งใจเหมือนกันแหละ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 อยู่ใกล้ชิดกับกิเลสตัณหาจริงๆแหละเรียกว่าแช่อยู่ในกิเลสตัณหาเหมือนอย่างปลาแช่อยู่ในน้ำก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าก็ทำให้เป็นปลาตัวฉลาดมัง่งอย่าไปหลงเหยื่อล่อที่เขาเอาเกี่ยวเบ็ดแล้หยห่อนลงไปในน้าต้องพิจารณาให้เห็นภัยอันตรายของชีวิตปลาที่ฉลาดก่อนมันจะงับเอาเยื่อ อันใดมันจะต้องพิจณาให้ละเอียดซะก่อนเมื่อเห็นว่ามันปลอดภัยแล้วมันก็จึงงับเอาอาหารนันมากินตัวใดที่เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ความหิวอดทนความหิวไม่ได้พอเห็นเหยื่อเข้าท่านไม่พิจนาหน้าหลังก็งับเอาไปกินเลยเนี่เบ็ดมันก็เกาะปากเอาไว้ท่านก็ต้องเป็นอาหารของมนุษย์ไป อันจิตใจของคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ได้ฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วส่วนมากทำอะไรมกักจะวู่วามไปเลยเพราะว่าใจมันด่วนใจมันเลื่อนลอยเมื่อใจเลื่อนลอยแล้วการทำอะไรพูดอะไรก็ไม่ไม่ค่อยสม่าเสมอแล้วไม่ค่อยละเอียดแล้วอ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 ก็ย่อมเกิดโอทภัยขึ้นมาภัยเกิดจากปากเกิดจากคำพูดมันก็ย้อนมาถึงตัวเองตัวเองก็ได้รับความเดือดร้อนในภายหลังนี่เราต้องระมัดระวังธรรมดาผู้มีใจตั้งมั่นแล้วมันย่อมรับวางความประพฤติ ท, ทางกายทางวาจาให้สม่ำเสมอมันย่อมรู้ว่า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 ทำได้อย่างนี้มันก็สบายใจไม่ใช่เหรอนองคิดดูให้ดีสบายใจแล้วอืมบางคนก็จะคิดว่าอยู่กับคนหมู่นี้ไม่สบายเลยนี่แต่รบ ก, กวนกันนี่แต่เรื่องยุ่งยากถ้าไปอยู่กับหมู่นั้นเห็นจะสบายดีเอาคันไปอยู่กับหมู่นั้นแล้วบวานี่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 ต่อจากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องที่กระทบกระทั่งมานั้นให้มันเห็นแจ้งชัดว่าเรื่องเช่นนี้นะไม่ควรยึดถือเอาไวใ้ให้มันเห็นอย่างนั้นเลยเพราะเรื่องชั่วร้ายไปยึดถือไว้ทำไมถ้าไปยึดถือเอาไว้ก็มีแต่จะเผารนจิตใจในี้ให้เป็นทุกข์เกือดร้อนไปเท่านั้นเองในอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้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 แต่เขาถือว่าเขามีรูปสวยรูปงามมากจึงได้โกรธพระองค์ผูกอาฆาตไว้ในใจพอได้มาเป็นอัคเีสีของพระเจ้าอุเทนในเมืองโกสัมพีแล้วได้โอกาสก็เลยจ้างคนไปตามด่าพระองค์กับพระอานนท์จนถพระอานนท์รำคาญนะ กราบทูลขอให้พาหนีไปที่อื่นพระองค์ทรงรับสั่งว่าถ้าว่าเราหนึ่งหนีไปที่อื่นล่ะแล้วไปที่อื่นอีกเราจะว่าไงอ่ะเขาก็ด่าอีกอ น, นี่แล้วเราก็ไปเรื่อยๆว่าพระอานุทูล น, นะพระองค์จึงได้ทรงรับสั่งว่านั่นไม่ใช่วิสัยของนักปราบบัณฑิตธรรมดานักปราบบัณฑิตที่ จะต้องไม่วันไหวต่อคำนินทาว่าร้ายต่างๆให้ทำตัวเหมือนอย่างช้างศึกของพระราชาออที่อดทนต่อลูกศรที่เขายิงมาแต่ในทิศทั้งสี่ไม่สะทกสะท้านไม่วันไหวออไม่นานหรอกเรื่องอย่างว่านี่นะ่ะจะระงับไปภายในวันที่เจ็ด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 ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นโทษอยากได้เงินก็ถึงไปด่ามันนี้พ่อ菩萨ทศดาทรงสั่งว่าการกล่าววาจาหยาบคายอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นโทษรู้สึกตัวแล้วก็งดเลยไม่ด่าไม่ว่านี่แหละพอะพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาเป็นตัวอย่างของพุทธบริษัททั้งหลายแล้วดังนั้น พุทธบริษัทท้งหลายควรพากันพยายามประพฤติปฏิบัติไปตามปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาและพระสาวกทั้งหลายพุทธบริษัทแต่ครั้งพุทธการนุ่นท่านบำเพ็ญเป็นตัวอย่างมาแล้วมากมายถ้าจะหยิบยกเอาเรื่องราวของท่านเหล่า น, นั้นมาแสดงในที่นี้ก็รู้สึกว่ามันมากเกินประมาณ หยิบยกออกมาเพียงเป็นบางเรื่องนี่ก็พอเป็นอุทาหรณ์พอเป็นคติเครื่องเตือนใจได้แล้วนี่นะไม่ไม่ใช่เป็นธรรมคุณธรรมต่ำๆนาคิดดูให้ดีบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญ น, นินทาว่าร้ายาต่างๆหมดนี้นะออท่านว่าเป็นบุคคลผู้มีกิเลสน้อยเบาบางมาก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 ที่นี้เมื่อท่านสร้างบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วท่านก็สามารถละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปกระดับขันเข้าสู่นิพพานไปก็ไม่ต้องมายุ่งยากลำบากอยู่กับโรคอันนี้ต่อไปอีกผู้ดใดมัวมาประมาทไม่เข้าหาสมาคมนักปราชญ์บัณฑิตไม่ฟังคำสอนของพทธเจ้าผู้นั้นก็หลงโลกหลงสงสารอันนี้อยู่ หลงสมมุติหลงบัญญัติของโลกอันนี้อยู่แล้วก็คล้องอยู่ในโลกนี่เศรษฐสุขบ้างเศรษฐทุกข์บ้างปนเปย์กันไปในสงสารบางทีก็สเสวยทุกข์มากกว่าความสุขบางทีก็สเสวยความสุขมากกว่าความทุกข์ไปอยู่อย่างนี้ถ้าหากไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังคําสองพระพุทธเจ้าตราบใดแล้วก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลย